ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่าน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 ซึ่งพระเดชพระคุณท่านได้บรรยายออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนเป็นประจำและยังได้ถ่ายทอดไปทั่วประเทศในเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอนำเสนอท่านผู้ฟังให้ศึกษาสัมมาปฏิบัติในธรรมปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์สุขในภายภาคหน้า ซึ่งวันนี้ก็เป็นตอนที่4ซึ่งทางรายการก็ได้ทยอยนำเสนอสู่ท่านสาธุชนเป็นประจำที่แล้วๆมาก็ตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สแต่วันนี้เป็นตอนที่สซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้กล่าวถึงสัมปรายิกัตถประโยชน์ในหลักธรรมหลักธรรมในขิหิปฏิบัติซึ่งจะเป็นประโยชน์สุขในภายภาคหน้าโดยยกเอา ศรัทธาสัมปทาขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยสียละสัมปทาและข้ามไปปัญญาสัมปทาสำหรับวันนี้จะข อ, อนำท่านสาธุชนมาศึกษาธรรมปฏิบัติข้อที่สข้อที่ว่าจาคสัมปทาซึ่งเนื้อความแห่งธรรมะจะเป็นเช่นไรขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะส่สันติอยู่ในขณะนี้มาตั้งจิต น้อมใจให้เป็นบุญกุศลสดับรับฟังปาตกถ า, าธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณในเรื่องธรรมปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขในภายภาคหน้าโดยพร้อมกันณบัดนี้เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่าน วันนี้อาตามาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปราตาคถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มประชาสัมพันธ์ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนเมื่อเดือนที่ผ่านานมาแล้วอาตามาภาพได้กล่าวถึงหลักธรรมปฏิบัติ4ประการเพื่อประโยชน์สุขในภายหน้าและได้บรรยายไปแล้ว3าประการคือศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาในบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาหนึ่ง สีและสัมปทาความถึงพร้อมด้วยสีหนึ่งและได้ข้ามไปกล่าวถึงธรรมปฏิบัติข้อที่4ก่อนคือปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญารอบรู้ทั้งในคดีโลกและในคดีธรรมหนึ่งวันนี้จะได้ย้อนกล่าวมาถึงธรรมะปฏิบัติข้อที่สคือจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความเสียสละการบริจาคหรือการให้ปันอีกหนึ่งต่อไปคําว่าจาคะมาจากคําภาษาบาลีว่าจารโค ซึ่งมีความหมายตามภาษาบาลีว่าทานหรือฐานะแปลว่าการบริจาคหรือการให้นี้อย่างหนึ่งกับความหมายว่าหานี้แปลว่าเสื่อมการสละเสียหรือการเสียสละนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อกล่าวรวมความหมายของคำว่าจาคสมบาติจึงหมายถึงความถึงพร้อมด้วยการเสียสละการบริจาคหรือการให้ปันกล่าวโดยย่อก็คือการเสียสละการให้ปันนั่นเอง คุณความดีอันเป็นสมุธฐานของการเสียสละหรือการให้ปันก็ได้แก่เมตตากรุณามุทิตาพรหมวิหารธรรมเป็นต้นกล่าวคือเกิดแต่ความรักปรารถนาดีที่จะให้ผู้อื่นอยู่ดีมีสุขจัดเป็นเมตตาพรหมวิหารดังเช่นพ่อแม่รักลูกปรารถนาจะให้ลูกอยู่ดีมีสุขก็สงเคราะห์ลูกๆด้วยปัจจัย่และรั์สิ่งของเครื่องปลื้มใจต่างๆ เกิดแต่ความเวทนาสงสารผู้อื่นที่มีความทุกข์เดือดร้อนก็ปรารถนาจะให้เขาพ้นจากความทุกข์เดือดร้อนนั้นนี้จัดเป็นกรุณาพรหมวิหารเช่นเมื่อเราเห็นหรือทราบเรื่องบุคคลหรือสัตว์ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากก็เกิดความเวทนาสงสารปรารถนาจะให้เขาพ้นทุกข์ก็อนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อให้เขาพ้นทุกข์อีกประการหนึ่งเกิดแต่ความเลื่อมใสศรัทธาในคุณความดี ท่านผู้กรอบด้วยความดีทรงศีลทรงธรรมเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาก็บูชาคุณท่านผู้มีคุณความดีทรงศีลทรงธรรมเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธานั้นด้วยอามิสบูชาคือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นต้นนี้จัดเป็นมุทิตาพรหมวิหารอีกประการหนึ่งเกิดแต่ความเจริญแห่งภูมิธรรมภรรมูภรรมิปัญญาเครื่องกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์กล่าวคือปัญญา เห็นโทษของกิเลสตัณหาอุปาทานเห็นโทษของความเห็นแก่ตัวจัดและเห็นคุณของการเสียสละการบริจาคการให้ปันซึ่งกันและกันจึงมุ่งประพฤติปฏิบัติตนอบรมกายวาจาและใจของตนด้วยการเสียสละหรือการบริจาคทานเพื่อขจัดขัดเกลากิเลสตัณหาอุปาทานและเพื่อเพิ่มภูนบุญบารมีของตนนี้จัดเป็นการบำเพ็ญบารมีอย่างยิ่งยวด คือทานบารมีและให้แก่กล้าขึ้นไปเป็นทานอุปบารมีถึงทานปรมัจารบารมีอันเป็นบาทฐานและอุปการะแก่การบำเพ็ญคุณความดีบุญบารมีอื่นๆได้แก่ศีลบารมีเนกขมบารมีปัญญาบารมีต่อต่อไปถึงเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีอันจะเป็นพลวะปัจจัยให้สามารถบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความบรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรสืบต่อไปเฉพาะส่วนที่ประกอบคุณความดีด้วยการเสียสละและหรือการให้ปั่นนี้ชื่อว่าการบำเพ็ญทานบา ร, รมีหนึ่งในบา ร, รมีสิบทัศน์คือการบำเพ็ญคุณความดีอย่างยิ่งยวดสิบประการดังกล่าวมาแล้วนี้คําว่าจาคะซึ่งมีความหมายว่าการสละเสียหรือการเสียสละดูจะมีความหมายกว้างกว่าคําว่าทานซึ่งหมายถึงการให้ปันดังเช่นว่าการเสียสละซึ่งกิเลส มีความโลภจัดความเห็นแก่ตัวจัดเป็นต้นหรือการเสียสละความสุขส่วนตนให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการเสียสละเวลาอันมีค่าสงเคราะห์ช่วยกิจการงานผู้อื่นหรือการเสียสละกําลังกายสติปัญญาความรู้ความสามารถและการให้ธรรมะเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเมตตาการุณเหล่านี้ชื่อว่าจากะ คือการสละเสียหรือการเสียสละ <c oughs> ส่วนการบริจาคหรือการให้นั้นโดยมากจะเข้าใจความหมายที่แคบเข้ามาคือเน้นที่การให้ปันด้วยทรัพย์สิ่งของได้แก่ปัจจัยสี่และหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเป็นต้นนี้ชื่อว่าทานคือการให้ปันดังที่เรียกกันโดยทั่วๆไปว่าการให้ทานบ้างการบริจาคทานบ้างซึ่งหมายเฉพาะเจาะจงลงไปที่อามิสทาน คือการให้ทานด้วยทรัพย์หรือวัตถุสิ่งของเป็นสําคัญตามความหมายของทานคือการให้ปันที่แท้จริงแล้วมีความหมายกว้างไปถึงการให้ทำเป็นทานชื่อว่าธรรมทานและการรู้จักให้อภรรยัยแก่กันและกันชื่อว่าอภัยทานซึ่งก็สงเคราะห์เข้าในธรรมทานนั่นเองอีกด้วยดังพระพุทธดารัสตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายมีปรากฏในพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายทุกนิบาต ตัดตยะปัญนนาตข้อสาม้อยแปแปลความว่าดูกระพิกษุทั้งหลายทานสองอย่างนี้เป็นฉไนคืออามิสทานหนึ่งธรรมทานหนึ่งดูกระพิกษุทั้งหลายทานสองอย่างนี้แลดูกระภิกษุทั้งหลายบรรดาทานสองอย่างนี้ธรรมทานเป็นเลิศธรรมทานคือการให้ทำเป็นทานนั้นหมายถึงการให้คําแนะนําสั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามทํานองคลองธรรม กล่าวคือให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเพื่อนำตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขจนถึงความพ้นทุกขอย่างถาวรมิให้ประพฤติปฏิบัติไปในทางชั่วอันจะนำตนไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันและในอนาคตและยังมีความหมายรวมไปถึงความประพฤติปฏิบัติตนอบรมตนให้อยู่แต่ในคุณความดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นก็จัดรวมเป็นธรรมทานด้วยเหมือนกันดังเช่นพระอัจฉริเทระ พระมหาสาวกองค์หนึ่งในคณะพระปัญจวัคคีซึ่งเป็นพระอาหารหันต์รุ่นแรกในสมัยพุทธกาลที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเมื่อประทับอยู่ที่เวลุวันมหาวิหารพระนรครราชกฤห์แคว้นมคธนั้นอุปติสมานบซึ่งก็คือท่านพระสารีบุตรมหาเถระผู้เป็นพระอัคารเบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองก่อนแต่จะได้พบกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น อุปติสะมานกได้เป็นสิทธิ์อยู่ในสำนักท่านสัญชัยปริภาชกแต่ก็ไม่ได้บรรลุโมกธรรมตามความมุ่งหมายจึงได้ปรึกษากับโกริตะมานกผู้เป็นเพื่อนสนิทซึ่งก็คือพระมหาโมคคลานะพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและได้ตกลงกันว่าให้ต่างคนต่างแสวงหาอาจารย์ที่ดีที่สามารถแนะนำสั่งสอนการปฏิบัติธรรมเพื่อความบรรลุโมกธรรมให้ถึงความพ้นทุกข์แล้วก็กลับมาบอกข่าวแก่กันและกัน จนวันหนึ่งอุปติสมานพได้พบท่านพระอัศชิเทระขณะที่ท่านกําลังบินทบาทอยู่ในเมืองราชคฤหได้เห็นอิริยบทอันสงบและงดงามด้วยศรีราจารวัตของท่านพระอัศชิจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและได้ติดตามไปห่างๆจนท่านพระอัศชิได้ฉันพัฒฐารเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้เข้าสนทนาธรรมขอเรียนถามหลักธรรมคาสั่งสอนของพระบรมศาสดา พระอัศจชิได้แสดงธรรมแต่เพียงย่อๆเพียงคาถาเดียวอุปติสสะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันบุคคลก็รีบไปบอกข่าวแก่โกลิตะเพื่อนสนิทในสำนักเดียวกันแล้วก็ได้พากันไปเฝ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยบริวารอีกสองห้าได้ขออุปสมบทและได้รับเอหิภิกขุอุปสมบทาทั้งหมดที่เวรุวันมหาวิหาร อุปติสสะเมื่อบวชแล้วก็มีชื่อตามชื่อของมันดาว่าพระสารีบุตรส่วนโกริตะก็มีชื่อว่าพระมหาโมคลานะนี้คือตัวอย่างธรรมทานการให้ทำเป็นทานของท่านพระอัศชิพระมหาสาวกผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบงดงามด้วยศีลาจารวัตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้อุปติสสะมนบได้เห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัท ธ, ธาประสงค์จะฟังธรรม จึงได้ติดตามไปฟังธรรมจนได้บรรลุมรคผลเป็นพระอริยบุคคลดังกล่าวแล้วพระพุทธดำรัสว่าธรรมทานคือการให้ทำเป็นทา น, นี้ท่านพระสิริมังคลาจารผู้รจนาคำพีประกรณ์พิเศษมังคลัต ถ, ถีปณีได้อธิบายความหมายเป็นสองระดับคือระดับโลกุตระได้แก่คำสั่งสอนให้ผู้ฟังปฏิบัติตามแล้วสามารถพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือถึงความพ้นทุกข์ได้นี้ระดับหนึ่ง กับระดับโลกิยะคือคำสอนให้ผู้ฟังปฏิบัติตามแล้วได้รับผลเป็นความสุขความเจริญทั้งในภพชาติปัจจุบันและทั้งในภพชาติต่ อ, ต, อต่อไปอีกด้วยนี้อีกระดับหนึ่งนอกจากนี้ท่านยังได้อธิบายว่าพึงเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงสงเคราะห์อภัยทานรวมอยู่ในธรรมทานด้วยดังปรากฏในหนังสือมังคลตติปณีฉบับแปลเป็นภาษาไทยมีความว่า แม้อภัยทานก็พึงเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสงเคราะห์ด้วยธรรมทานในทานทั้งสองนี้เหมือนกันอภัยทานนั้นก็คือการอดโทษหรือการยกโทษให้แก่กันและกันไม่ถือโทษโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวนต่อกันอีกต่อไปจึงเป็นคุณเครื่องระงับการผูกใจเจ็บแทนอันจะเป็นเวรภัยต่อกันให้กลับเป็นความสันติสุขคือเป็นความสุขด้วยความสงบด้วยการทุกฝ่าย โลกจะสันติสุขได้ก็ด้วยอภัยทานนี่แหละส่วนที่ชาวโลกกำลังเดือดร้อนกันอยู่ในขณะนี้ก็เพราะผู้คนขาดศีลขาดธรรมขาดความเมตตากรุณาต่อกันไม่มีความเห็นอกเห็นใจกันไม่มีความปรารถนาดีต่อกันอย่างแท้จริงจึงไม่มีน้ำใจที่จะให้อภัยแก่กันและกันนั่นเองเพราะเหตุนั้นอภัยอภัยทานอันนับเนื่องในธรรมทานโดยมีเมตตากรุณาธรรมเครื่องคาจุนโลกเป็นสมุดฐาน จึงเป็นคุณธรรมที่เลิศกว่าอามิสถานเพราะเป็นเครื่องช่วยให้โลกสงบระงับจากเวรภัยและยังให้เกิดความสันติสุขและร่มเย็นด้วยกันทุกฝ่ายเมื่อพูดถึงเรื่องการรู้จักอภัยให้แก่กันว่าเป็นคุณธรรมสูงอันบุคคลพึงเจริญพึงปฏิบัติต่อกันให้มากก็ใครจะกล่าวถึงข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติต่อกันอีกอย่างหนึ่งคือการรู้จักขออภัยเมื่อเราเกิดพลาดพลัง้งล่วงเกินหรือกระทบกระทั่งผู้อื่นก็ให้รู้จัก ขออภัยต่อผู้ที่เราพลาดพลั้งล่วงเกินนั้นโดยมิชักช้าเป็นการแสดงความจริงใจไม่เจตนาที่จะล่วงเกินหรือกระทบกระทั่งแต่เผอิญเกิดพลาดพลั้งเพราะความประมาทเมื่อเรารีบแสดงเช่นนั้นผู้ที่ถูกล่วงเกินก็จะเห็นใจและให้อภัยกันได้ง่ายขึ้นอันหนึ่งแม้เราจะกระทําการสิ่งใดที่อาจจะเป็นเหตุกระทบกระทั่งหรือล่วงเกินผู้อื่นโดยมิได้เจตนา ก็ควรแสดงหรือกล่าวคำขอโทษก่อนที่จะกระทำการนั้นๆก็จะดีทำได้อย่างนี้ก็นับเป็นการสำรวมระวังไม่ประมาทผู้หวังความสันติสุขพึงประพฤติปฏิบัติให้ได้เป็นนิสัยทั้งการรู้จักขออภัยและทั้งการรู้จักให้อภัยแก่ผู้อื่นอยู่เสมอก็จะช่วยให้เป็นผู้เมมีเวรภัยน้อยลงมีศัตรูน้อยลงจะอยู่หรือจะไปสาริทิฏใดก็ไม่มีใครรังเกียจและยัง กลับจะเป็นที่รักของคนทั้งหลายอีกด้วยเรื่องการขอโทษขออภัยนี้อัตมาสังเกตเห็นว่าคนต่างประเทศที่เขามีวัฒนธรรมดีๆที่เขาปฏิบัติต่อกันจนเป็นนิสัยมักจะพูดกันจนติดปากคู่กับคําว่าขอบคุณเช่นเมื่อมีใครทำอะไรให้เขาก็จะพูดว่าขอบคุณทันทีคือเขาจะแสดงการเห็นคุณค่าของความอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือจากผู้อื่น แม้เพียงเล็กๆน้อยๆแม้จากเด็กๆหรือผู้ที่อ่อนวัยกว่าแต่คนไทยเ่านั้นบางรายแทบจะพูดว่าคำว่าขอบคุณหรือคำว่าขอบใจไม่เป็นเสียด้วยซ้ำยิ่งคำว่าขอโทษแล้วดูจะยิ่งยากหนักขึ้นไปอีกแถมในกรณีที่เป็นเรื่องใหญ่ๆ ห, หรือเวลาจะขอโทษต่อผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยิ่งจะต้องมีพิธีรีตองมากขึ้นเช่นต้องมีดอกไม้ทูบเทียนมาขอขมาลาโทษกันทีเดียวละจึงจะยอมงดโทษให้ แต่ถ้าเป็นชาวต่างประเทศแล้วเขาจะพูดกันจนปิดปากเช่นว่าเมื่อมาสายกว่ากําหนดนัดหมายเขาก็จะรีบกล่าวว่าผมขออภัยที่มาช้าครับหรือว่าเวลาจะขอทางเดินผ่านหรือจะขอให้ผู้อื่นหลีกทางให้เขาก็จะกล่าวว่าขอโทษด้วยหรือว่าจะให้สุภาพยิ่งขึ้นก็ว่าปโปรดให้อภัยผมด้วยนะครับหรือว่าเวลาเดินไปสะดุดเท้าใครเขา้เขาๆโดยไม่ได้ตั้งใจก็จะรีบพูดว่าผมเสียใจครับ ซึ่งก็คือขอโทษครับนั่นแหละผู้ที่ถูกล่วงเกินเขาก็จะรีบกล่าวว่าไม่เป็นไรครับหรือว่าไม่เป็นไรคะอะไรทํานองนี้เป็นต้นแต่คนไทยเรานั้นทั้งขอโทษคนอื่นก็ไม่ค่อยจะเป็นและหรือเมื่อเขาขอโทษแล้วก็ยังไม่หายโกรธและไม่อดโทษให้อีกด้วยอย่างนี้ก็เห็นมีอยู่บ่อยบเพราะคนไทยบางรายก็เจ้ายศเจ้ายางผู้เป็นผู้มากด้วยมานะทิฏฐิจึงมีคําว่าอย่าเหยียบตาปลากันนะ คือใครมาสะดุดเท้าหน่อยก็ว่าเหยียบตาปลาคือมาสะดุดหรือเหยียบตรงปุ่มที่โคนหัวแม่เท้าก็เกิดมาณนะทิฐิและโกรธกันขึ้นมาอย่างฉับพลันว่านี่มิ่นเชิงชายกันซะแล้วมิหญยที่ผู้ฝ่ายผู้พลาดพลัง้งล่วงเกินจะกล่าวคำขอโทษก็ไม่ยอมอดโทษให้เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตชกต่อยตบตีหรือทาร้ายกันถึงเลือดตกยางออกและถึงฆ่ากันตายก็มีนี่เมื่อสองวันนี้ก็ได้ข่าวว่า มีการฆ่าการตายเพราะเหตุนี้ที่จังหวัดชนบุรีนี่เพราะกิเลสข้อโทสะและทิฏฐิจึงทำให้ขาดกุณธรรมข้ออภัยทานอันหนึ่งเฉพาะตัวผู้ให้อภัยแก่ผู้อื่นนั่นเองแหละย่อมสบายใจเพราะสามารถปลดเปลื้องปล่อยวางเรื่องกระทบกระทั่งบาดหมางอันเป็นเหตุกระทบกระเทือนจิตใจนั้นเสียได้จิตใจก็บริสุทธิ์ผ่องใสจากความขัดเคืองใจหรือโกรธพยาบาทเป็นจิตเกษม เพราะปราศจากกิเลสอันเป็นเหตุถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิให้เกิดทุกข์จิตจึงเป็นสุขและปลอดภัยด้วยประการนชะนี้ส่วนผู้ที่เอาแต่ผูกใจเจ็บแค้นแน่นอุราอยู่ไม่รู้หายก็เจ็บอยู่ที่ใจของตนเองนั่นแหละยิ่งครุ่นคิดผูกพยาบาทไฟโทสะและโกรธพยาบาทก็เผาลนที่ใจตนเองอีกนั่นแหละเป็นทุกข์อยู่ที่ใจตนเองตราบเท่าที่ยังผูกใจเจ็บแค้นอยู่ไม่รู้หายนั้นนั่นแหละ เพราะเหตุนั้นผู้หวังความสันติสุขแก่ตนเองและผู้อื่นพึงเจริญคุณธรรมข้ออภัยทานนี้แก่กันและกันให้มากเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวสับสนเรื่องภาษาที่พูดขอโทษกันว่าฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตงานในหน้าที่ราชการอันมีลักษณะเป็นความกระทบกระเทือนจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่ปฏิบัติงานเป็นเหตุกระทบกระเทือนจิตใจผู้อื่นนั้นพอรู้สึกตัวว่าตนได้กระทําให้ผู้อื่นกระเทือนใจก็แสดงการขออภัย ด้วยคำว่าผมเสียใจซึ่งตรงกับคำว่าขออภัยนั่นแหละแต่ฝ่ายที่ได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจนั้นกลับไม่ยอมจะต้องให้กล่าวคาว่าขอโทษให้จงได้เถอะละถ้าไม่กล่าวคำว่าขอโทษก็จะเอาเรื่องเอาราวกันให้ถึงที่สุดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตพอสมควรทั้งทั้งที่คำว่าเสียใจก็มีความหมายว่าผมเสียใจที่ผิดพลาดไปแล้วกับคำว่าขอโทษก็มีความหมายว่า ผมขอโทษที่ผิดพลาดไปแล้วด้วยเหมือนกันนั้นนั่นแหละอาตมาจึงขอฝากข้อนี้ไว้ให้ญาติโยมสาธุชนได้พิจารณาเพื่อช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาของประเทศชาติให้รอบค้อบประกอบด้วยสติระลึกคุณธรรมข้ออภัยทานนี้ไว้ให้ได้ให้มากๆจะได้มีเวลาสงบสงบใจช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและให้รอดพ้นจากปัญหาต่างๆให้ได้มากยิ่งขึ้น ก็จะเป็นผลดีแก่ทุกคนทุกฝ่ายตลอดทั้งลูกหลานให้มีความเจริญและสันติสุข ต, ต่อต่อไปในการข้างหน้าด้วยอย่ามัวแต่ตั้งมานะทิฏฐิไม่ยอมลดลาวาสอกให้แก่กันและกันเลยและก็กระทบกระทั่งทะเลาะเบาแวงในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอันทำให้เสียเวลาทำมาหากินเสียเวลาพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างเปล่าประโยชน์อย่างเปล่าประโยชน์ขณะนี้บ้านเมืองของเรานั้นบอบช้าอย่างหนักหนาสาหัสสา สา ก, กัรมากอยู่แล้วกล่าวถึงอานิสงฆ์ธรรมทานซึ่งหมายความรวมทั้งอภัยทานด้วยนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเป็นเลิศกว่าอามิสทานเพราะเป็นคุณเครื่องยังโลกให้สงบให้สว่างส่องทางดำเนินชีวิตสัตว์โลกผู้มีปัญญาผู้มีคุณธรรมคือผู้ทรงศีลทรงธรรมให้ถึงความเจริญและสันติสุขได้อย่างแท้จริงดังที่ได้บรรยายมานี้ กล่าวในส่วนของอามิสทานคือการให้ปันด้วยวัตถุหรือทรัพย์สิ่งของได้แก่ปัจจัย4และหรือเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตแก่ผู้อื่นด้วยจิตเมตตาการุณาก็มีอานิสงส์มากเพราะชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายนั้นต้องอาศัยปัจจัย4ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครวมทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกอันจําเป็นอื่นๆตามสมควรแก่ฐานะเช่นยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพเป็นต้นผู้รับการบริจาคทานชื่อว่าปฏิคาหกย่อมปลื้มใจด้วยว่าผู้ที่มีความทุกข์เดือดร้อนเพราะขาดแคลนทรัพย์สินของเครื่องยังชีวิตเมื่อได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือด้วยความเมตตาการุณาย่อมจะได้รับการบรรเทาหรือขจัดกระจัดขจัดปัดเป่าความทุกข์เดือดร้อนนั้นให้กลับมีกําลังพอที่จะช่วยตัวเองได้ให้สามารถดําเนินชีวิตไปสู่ความสุขได้ ผู้รับทานจึงย่อมปลื้มปีติมีจิตใจไมตรีดีต่อผู้มีพระคุณนั้นผู้ให้ทานเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นจึงชื่อว่าเป็นผู้ผูกไมตรีและย่อมเป็นที่รักของผู้อื่นสมดังพระพุทธดารัสที่ตรัสไว้ในสังยุตตนิยสขารถวัตพระไตรปิฎกเล่มที่15แปลความว่าผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้และในอังคุตนิยปัญจกนิบาศ พระไตรปิฎกเล่นที่22ว่าแปลความว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคนหมู่มากย่อมคบเขาส่วนผู้ให้ทานนั้นชื่อว่าทายกในกรณีผู้ชายและชื่อว่าทายิกาในกรณีผู้หญิงก็ย่อมปลื้มใจและเป็นสุขใจเพราะได้อนุเคราะห์ผู้ที่มีความทุกข์เดือดร้อนให้พ้นทุกข์และหรือได้สงเคราะห์ผู้อื่นให้มีความสุขความเจริญด้วยความเมตตาการุณจากน้ำมือของเราเอง นี่กล่าวแต่เฉพาะผลบุญจากการบริจาคหรือแบ่งปันอันชื่อว่าทานกุศลซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมในส่วนที่จะปรากฏผลจากทานกุศลอีกต่อไปนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มีปรากฏในอังคุตตรนิกายปัญจาการนิบาตพระตไตรปิฎกเล่มที่2 2แปลความว่าผู้ให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใจผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศ ผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีผู้ให้ของประเสริฐย่อมได้ฐานะอันประเสริฐและตรัสมีปรากฏในขุตกนิกายอิติุตตะพระไตรปิฎกเล่มที่ส5แปลความว่าเมื่อให้ทานในวัตถุอันเลิศบุญอันเลิศอายุวันณนะยศเกียรติสุขและกําลังอันเลิศก็ย่อมเจริญ อ, อันหนึ่งบุญกุศลคุณความดีอันสําเร็จด้วยการอุทิศ แผส่วนกุศลผลบุญให้แก่ผู้อื่นชื่อว่าปฏิทานไม้นั้นก็นับเนื่องในทานไม้คือบุญกุศลอันสําเร็จด้วยการบริจาคทานเหมือนกันพลานิสงคือผลบุญกุศลจากการเสียสละหรือการบริจาคทานนี้จะไพ่บูนสมบูรนเพียงใดนั้นขึ้นอยู่ที่ทานสมบัติสามประการคือวัตถุบริสุทธิ์หนึ่งเจตนาบริสุทธิ์หนึ่งและบุคคลบริสุทธิ์หนึ่ง วัตถุบริสุทธิ์หมายความว่าวัตถุสิ่งของที่เสียสละให้เป็นทานนั้นเป็นของที่ได้มาโดยวิธีการอันสุจริตและหรือเรื่องที่ให้ได้แก่ความรู้ในการประกอบอาชีพและคำแนะนำสั่งสอนข้อปฏิบัติต่างๆก็เป็นเรื่องที่ดีกล่าวคือเป็นความรู้ที่ดีสำหรับใช้ประกอบสัมมาอาชีวะและเป็นข้อปฏิบัติที่ดีที่ชอบเป็นต้น เจตนาบริสุทธ์ก็คือเจตนาที่เห็นคุณของการเสียสละหรือการให้เพื่อสงเคราะห์ให้ผู้อื่นอยู่ดีมีสุขและเหลือและหรือเพื่ออนุเคราะห์ผู้อื่นให้พ้นทุกข์และเพื่อยังบุญกุศลเครื่องชำระบาปอากุศลหรือมนถินใจได้แก่ความโลภความตระนีเหนียวแน่นและความเห็นแก่ตัวจัดออกจากจิตสันดานเจตนาอันบริสุทธ์เช่นนี้มีพร้อมทั้ง3การ คือบุพเพเจตนาคือเจตนาอันบริสุทธิ์ก่อนแต่จะให้หนึ่งมุนจนาเจตนาคือเจตนาอันบริสุทธิ์ขณะที่กําลังให้หนึ่งและปราประเจตนาคือเจตนาอันบริสุทธิ์ภายหลังที่ให้แล้วก็ยังมีความยินดีอยู่อีกหนึ่งบุคคลบริสุทธิ์อันเป็นเขตสมบัติทั้งผู้ให้คือทายกทายิกาฝ่ายหนึ่งและทั้งผู้รับคือปฏิคขาหกอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยคุณธรรมได้แก่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ถึงพร้อมด้วยผู้ถึงพร้อมด้วยคุณคือมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมและหรือกําลังปฏิบัติธรรมอบรมกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์เมื่อทานกุศลประกอบด้วยทานสมบัติสประการอย่างนี้ย่อมมีพลานิสง์มาก คือมีผลภัยบูรดุดดังการเพราะปลูกพืชพันธุ์ที่เมล็ดพืชพันธุ์ดีลงบนพื้นที่ดินดีโดยผู้ปลูกก็เป็นคนดีมีสติปัญญาความรู้ความสามารถในการปลูกพืชพันธุ์เป็นอย่างดีย่อมได้รับผลจากพืชพันธุ์ที่ปลูกอย่างอุดมสมบูรณ์ฉันใดการบริจาคทานอันประกอบด้วยทานสมบัติสประการคือวัตถุบริสุทธิ์หนึ่งเจตนาบริสุทธิ์หนึ่งและบุคคลบริสุทธิ์หนึ่งก็ย่อม มีพลานิสงฆ์มากคือย่อมมีผลภัยบุญฉันนั้นสำหรับวันนี้ก่อนจะจบรายการนี้ผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติโปรดทราบวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเดินสะดวกจังหวัดราชบุรีจะได้จัดการอบรมพระกรรมฐานรุ่นกลางปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสี่พฤษภาคมศกนี้ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปี จึงขออาราธนาพระภิกษุสามเณรและขอเชิญอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายสมัครเข้ารับการอบรมได้จะเขียนจดหมายโดยตรงหรือติดต่อด้วยตนเองโดยตรงไปถึงสำนักงานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายศาลาการเปรียนวัดสเกตรกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์ 621-1235 ถึง6 621-1235 ถึง6หรือถึงประชาสัมพันธ์วัดลงพอสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์รหัส032และหมายเลข 254-650 ต่อ 220-254 650ต่อ220ก็ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันนี้อาตมาภาพขอจบเรื่องธรรมปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขในภายหน้าแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพรที่สาธุชนได้รับฟังจบไปนั้นก็เป็นปาตกถาธรรมของพระเดชประคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณในเรื่องธรรมปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขในภายหน้าหรือสัมปรายกัตถประโยชน์ซึ่งเป็นหมวดธรรมในขีิปฏิบัติซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสแสดงไว้ให้แก่พุทธบริษัทโดยเฉพาะคารวาสผู้ครองเรือนนั้นให้เห็นประโยชน์ถึงทั้งประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในอนาคตที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นก็เป็นประโยชน์ในอนาคตหรือในภายหน้า หลวงพ่อก็ได้แจกแจงถึงธรรมปฏิบัติข้อที่3คือจากะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาว่าเป็นมาอย่างไรบ้างมีทั้งบริจาคซึ่งเป็นส่วนทรัพย์สินเงินทองและเป็นส่วนของธรรมทานและที่สำคัญก็คือทั้งอภัยฐานด้วยสาธุชนที่ติดตามรับฟังก็คงจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมปฏิบัติที่จะให้เกิดประโยชน์สุข ในภายภาคหน้าดังที่กล่าวมาแล้วสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการธรรมสุสันติก็หมดลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจโปรดติดตามรับฟังสารธรรมจากทางรายการได้ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอความเจริญรุ่งเรืองในพระสัตธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถ้าท่านสาธุชนคิดประสงค์จำลงหมายสิ่งใดที่ เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จทุกประการเทือนขอเจริญพร